ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและท่านผู้อ่านทั้งหลายตอนนี้ภัยก็มาพบกันเรื่องของดาวถุงดําขอท่าน <c oughs> ก็ส่งกล้องหินดาวถุงอะไรก็ตามถ้าเข้าไปใกล้มันมันดูดเข้าไปหมดแม้ <c oughs> เรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วก็ตามที่จะว่ากันต่อไปก็ด้วย ได้ชมยานภาณะที่โลกต่างๆมาสู่โลกนี้ความจริงฟังแล้วก็คลุมดีแต่ถ้า รวมความว่าความเป็นมาทุกสิ่งที่อย่างกับของเราของเขาคล้ายคลึงกันแต่ว่าโดยพฤขอย่างยิ่งในโลกชมพู สิ่งที่อยากจะทราบก็คือว่าทางใต้ดินที่เรียกกันว่าองค์บงองค์บงตามเมืองหรือเมืองใต้ดินที่เขาบอกว่าของเขามีแต่ความจริง <c oughs> ก็รู้สึกว่าแปลกเค้า 4 กิโลเมตรจริงมัน 2 ทาง รถเหมือนกันโดยเงินคนละทางแล้วแต่เลน <c oughs> ของเขาไม่มีของเราเคยๆไปก็มีคนมากบ้างประมาณ <c oughs> 30, 30 กิโลก็ๆ ในเมืองนี้ท่านจะของทินบอกว่าจะมี เยี่ยเธออย่าจะบอกว่าร์บฏินี้คำมีทุกประตลาบ้านเราก็มีจะมีผู้ชายกับหแล้วหลังจากนั้นก็จะถามเขาอีกว่ามีอะไรบ้างเพราะไม่ได้หน่าแปลกและสิ่งที่ถามก็ขึ้นว่าเมืองนี้ เจ้าหน้าที่ที่นําไปก็บอกว่าเขาก็มันถามช่างเหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันลึกมากไปถามว่าเวลานี้อยู่ใต้ระดับน้ําทะเลมั้ย ไปตามเมืองเกาะกลางน้ํา พอไปถึงบริเวณอีกเมือง <c oughs> บางคราวว่าถ้าอย่างนั้นก็อยากจะขึ้นบกเค้าก็นําวิ่งรถไปเรื่อยๆรู้สึกว่าความเป็นโดนที่ดีน้อยๆคือกระดูกมากละจังหน่อยๆชั้นน้อยๆถ้าไม่สังเกตจะไม่รู้สึกสักพลเดียวหนึ่งก็ปรากฏขึ้นเหนือพื้นแผ่น ถ้าจะซาบึกก่อนน้ําล้อมรอบก็ว่าขึ้นชายเกาะเห็นน้ํา แล้วก็ถามเค้าว่ากูว่าถ้าหักว่าเมืองนี้อยู่กลางเกาะลม <c oughs> ก็มีการป้องกำแพงมีความสูงมากก็ลืมไปไม่ได้ถามเขา <c oughs> พอกำแพงที่เห็นน่ะมันสูงกี่ไม่แน่แต่สูงกว่าที่สายหลายๆเท่าเป็นกำแพงกั้นรอบๆเท่าที่ตาเห็นเป็นกำแพงกั้นรอบชายน้ําทั้งหมดเขาจึงพาเข้า พอผ่านนั้นแล้วก็ไปสักครู่หนึ่ง ผู้พูดนําก็บอกว่ากําแพงเนี่ยเมือง <c oughs> ชาวนานซ์ก็ถือหาทางป้องกันกระแสน้ําอย่างกําแพง ทางจะไหลเข้ากับไหลไหลน้ําบากเพราะช่องไม่ตรงกันมันก็ไหลออกมาหาสมุทรเขาทําแบบนี้เค้าบอก <c oughs> กำลังของคลื่นจะตกลงในระหว่างกำแพง หลังจากนั้นก็ชวนเข้าไปในเขตตลาดเข้าไปอย่างพร้อมบนบริบูรณ์ทั้งหมด คนของญี่ปุ่นของเราพอถึงญี่ปุ่นแตกต่างไปเยอะแล้วพอไปเข้าไปอินโดนีเซียก็รู้สึกว่าแตก <c oughs> <c oughs> นี่น่ะก็ชนเดินไปบ้างนั่งรถไป <c oughs> <c oughs> แต่ครั้งนี้เจ้าก็ส่งไปขายมันบอกก็เป็นของที่ประดิษฐ์ขึ้นทางด้านวิทยาศาสตร์ส่วนส่วนใหญ่โครงความก็ไปขอถ้าบันไดอีกจึงเข้า <c oughs> คือแสงสว่างแปลกๆด้วยไฟฟ้าเรื่องไฟฟ้าไม่ต้องห่วงของเขา จึงถามก็ว่าสถานที่นั้นเป็นอะไรก็บอกก็ถามว่าว่าเรื่องศาสนาที่เขานับถือนี่เป็นศาสนาอะไรก็บอกเรื่องศาสนา นั่นก็กรรมบท 10 อันนี้ต้องเหมือนกันทุกคนใน ก็ถามก็ว่าพระพุทธศาสนา 2,500 ปีเศษนับ แต่คนของเขาจริงๆถ้าปีเป็นอายุไขฉะนั้นเวลานี้ 80,000 ปีก็เค้าโทษ 8,000 ปี ส่วนใหญ่เป็นใครก็ว่าในมาบ้างมั้ยเค้าบอกว่ามาถามการมา สักหาระหันรุ่นไหนก็นิพพานไปมากมายเขาทราบไหมครับผมก็ทราบท่านก็ว่าเขารู้จักพระพุทธเจ้าไหมเขาบอก มีรูปร่างรัศมีสวยสดงามมากแต่ท่านก็บอกว่าเวลา ก็ถามคือว่า 3 เดือนท่านมาครั้งหนึ่งรู้สึกเบื่อว่านานไปมั้ยก็ก็ตอบว่าไม่นานเพราะ จึง 4 นั้น 10 ถ้าคําสอนของ 10 อย่างถ้าพูด 10 ก็ กาลสังโยชน์ 10 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 3 เบื้องต้น <_ d ata> ก็เลยประกาศในเมื่อโลกนี้ทั้งโลกบังคับว่าต้อง 4 แล้วกรรมบถ 10 แต่ สมมุติว่า 2 อย่างที่ไม่หนักแต่มันหนักอีกๆไม่ค่อย ก็อัลมดบันต่างๆก็ไม่มีการเดิน คําว่ายิ่งคือความรู้บวกคําว่า แต่ว่าชินนรกนี้ไม่มีพอเขาพูดได้ฟังก็มีความเข้าใจว่าคนโลกนี้ไม่เข้าไม่เข้าใจในทุกข์นั้นแล้ว ร่างกายถ้ามันตายแล้วเราไม่บ้างไปพรหมโลกบ้างไปนิพพานบ้างถ้าเรามีความชั่วมีบาปสัง ถามว่าทําไมถึงไม่เข้าใจเค้า 12,000 ปีเต็มทุกปีมันไม่ตายก็จะถือว่า คิดว่าถ้าเราเกิดมาเป็นคนอื่นเป็นคนต่อไป เรื่องความว่าคุยกันไปคุยมาเวลามัน คำบอกว่าใช่ถามก็บอกชกยกขึ้นก็บอกเวลานี้พระกําลังเทศน์แล้วก็ก็บอกกับว่า ตถะวะดีพระท่านเทศน์โนตินนแล้วก็มาเทศที่เมืองเกาะนี้ก็ถามว่าว่าเวลาที่พระเทศน์เราจะเข้าไปได้มั้ยคือว่าพระท่านเทศน์น่ะความจริงแท้มัน แต่ถ้าว่ารู้เรื่องกันเราเข้าไปเขาให้ให้เขานําเข้าไปในสถานว่าที่บริเวณจริงๆแต่ด้านหน้าเป็นมุขแสดงว่า แล้วก็ไปข้างในเป็นตึกใหญ่มากไม่ต้องตั้งชูให้สูงอย่างไมโครโฟนของเราอย่างที่ นั่งต่อปุ๊บเป็นพบไมโครโฟนนั่นคือช่องเล็กๆแล้วก็พูดได้ทันทีใครพูดมาคนอื่นได้ยินหมดเมื่อเข้าไปในที่นั่นเจอพระ ก็ถามคนที่ก็นําบอกองค์นี้พระอะไรเขาบอกว่าองค์นี้คือพระโมคคัลลานะที่ท่านบอกว่าพระโมคคัลลานิพานแล้วสําหรับ ที่บางคนในโลกชมพูโทษชมพูเค้า <c oughs> เข้าไปด้านนั้นรู้สึกว่าท่านหันมาข้างหน้าแต่คนนั่งทุกๆด้านก็มีความรู้สึกว่านั่งข้างหน้าท่านทั้งหมดอันนี้เป็นปฏิหาริย์ใหญ่ตาม เวลานี้อัครสาวกของเด 16 เด็จมักเรียนสตรีวิทยา เธอก็ถามว่าสุญญะหมายถึงสลายไปเลยหายไปเลยใช่ไหมก็ตอบว่าใช่เธอก็ถามว่าเวลาปฏิบัติกรรมฐานจริง ได้บอกกับเธอว่านิพพานก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีเป็นต้นเค้าเรียกว่านามธรรมแต่สิ่งที่ประสบ ใช้ตาเนื้อไม่สมบูรณ์พูนผลจงมี